แม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นอนคาดเมื่อพระองค์กาหนดตั้งใจอย่างนั้นแล้วคิดใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคง คือพระองค์ตรงกรรมฐานตกแล้วองตกว่าตายเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้ละสู้ไม่ได้สู้กิเลสมานสังขารมานกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ถ้าจะทำใยอ่อนแอทอดแท้เหมือนแต่ก่อนมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้ตรัสรู้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 ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดอนาปารลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์กำหนดจริงๆคือลมทุกครั้งที่เข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้า เมื่อลมที่เข้าไปแล้วไปเลี่ยงร่างกายลมหายใจก็ออกมาท่านก็กำหนดลูกว่านี่เป็นลมออกมาการตั้งใจของพระองค์ระลึกโยภายในไม่ได้อยู่ภายนอกแล้ววโยภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอก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 จิตใจของเธอองค์ก็เรียกว่าผ่องใสสะอาดที่สุดเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดที่สุดก็ย่อมมองเห็นได้ว่าโรคหมายถึงขาสองแขนสองสีสะนหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง คือไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอยู่อย่างนี้แรกเริ่มมาปฏิสนธิบิน ญ, ญาณในคันมารดาในท้องแม่ต่อมาก็อยู่ไม่ได้มันจเจริญววยใหญ่โตขึ้นมาได้เก่าเดือนชิบเดือนแล้วก็ถึงขั้นเกิดคลอดออกมา เมื่อคลอดออกมาโยภายนอกที่แรกก็ตัวน้อยนิดเดียวผลที่สุดก็เจริญไวใหญ่โตขึ้นไปโดยลำํำดับเป็นธรรมดาของความไม่เที่ยงมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความเป็นทุกข์คือว่าทนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันต้องแสดงถึงความทุกข์ยากลําบากลาคาญของรูปร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลา พระองค์ก็กำหนดแจมแจ้งได้ชัดเจน <c oughs> จนเห็นว่ารูปร่างกายทั้งจิตทั้งใจนี้ยังไม่ใช่ตัวตนของบุคคลพูกใ ด, ดก็เห็นแจมแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของท่านท่านก็ปล่อยวาง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 และจิตใจอันนี้นั้นมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ก็ย่อมมายึดมัน่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกูของโกูอันนี้เป็นความหลงในจิต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 ว่าที่จิตหลงอันนี้มายึดว่าตัวของเราหรือว่าผมเป็นของเรามันเป็นของเราจริงไหมถามดูทีว่าผมอยู่บนศีษาเป็นเส้นๆถ้าเป็นพระเป็นเ่นก็เรียกว่าโกนทุกวันพระวันโกน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 มันสมมติให้เป็นของเราเท่านั้น้าแท้มันไม่ได้เป็นของกายพระแต่ก่อนนักบวชแต่ก่อนเพียงแต่ว่าปองผมจะบวชเป็นพระเป็นเนนเท่านั้นแหละพอมีดกอนจดเข้าไปขุโอนไปตกลงมาเท่านั้น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 ที่ยังภาวานาเลิกละกิเลสในตัวในใจไม่ได้ก็เลยมายึดมาถือเอาอย่างนี้เองแหละแล้วก็ยึดถือไปได้เท่าไหร่คิดอ่านดูให้ดีก็แล้วแต่ชีวิตของแต่ละ บ, บุคคลบางคนนั้นเกิดมาวันนั้นตายไปวันนั้นก็มียังไม่ได้มาเห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรละ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 ถึงน้อยเต็มทีขนาดหลวงปู่แหวนก็ว่าแก่ที่สุดแล้วหมอแพทย์ก็จะให้ได้ร้อยปีฉันอาหารทางปากไม่ได้ก็ให้ถันอาหารทางท้องหมายว่าจะให้ได้ถึงร้อยปีกว่าๆ ก, ก็เลยไม่ได้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 บางคนก็ถูกอุปเทวะเหตุต่างๆจนถึงตายไปอีกเหลือตายเหลือเดนมากกมากนี่แหละมรณะภัยคือความตายนี่พระพุทธเจ้าคำรับคำชานักหนาว่าให้ลูกศิษย์เราตถาคตจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจ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 สงบประงับเยือกเย็นได้ <c oughs> แม่ดาวทั้งหลายเมื่อนึกพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตมันยังไม่สงบก็อเอามาละนะคือความตายมาเตือนใจมละลนังเมภวิชิติเราต้องตายจะต้องตายวันหนึ่งจนได้ ลมเข้าไปกัเตือนใจว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านลำคารลรั่วไหลไปภายนอกให้จิตใจมาสงบ ม, มานิ่งแน่อยู่ในใจของตัวเองแม้ ว, ว่าทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจมองเห็นมรณะนะภัยคือความตายอยู่ เป็นเจิตใจไม่ประมาโทโภคไม่ประมาทเท่านั้นแหละใจิตใจจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติถ้าเกิดความประมาทคลั่งเผลอนึกไม่ได้จเจริญไม่ได้จิตโมหะอาวิชชาตันหาจิตกามะตันห า, นหาภาวะตันหาวิภวะตันหามันก็เข้ามาล่ม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 ไม่เดือดร้อนวุ่นวายด้วยสติปัญญาของตัวเองไม่ใช่ผู้อื่นเอาให้ลระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงสแสดงตัดสอนให้แล้เ ร, เราต้องเอามาสอนใจของเรามันละกิเลสความโกรธในใจให้ได้ ละกิเลสความโลภในใจให้ได้ละกิเลความหลงในใจให้ได้เมื่อเราเลิกได้ละได้มันก็เป็นสิริมงคลแก่จิตใจตัวของเรานั่นแหละแล้วธรรมะคำสอนนั้นจะเอามาสอนมาแนะนำตัวเองเมื่อใดเวลาใดก็ได้ทุกเมื่อ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 กราบไว้ในใจกราบไหว้ทางวาจากราบไหว้ทางกายวาจาจิตคือว่าข้าพเจ้าขอกราบพระพุทธเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าด้วยเสียนเกล้าพระธรรมประสง์ว่าข่านี้เป็นคนโง่เขาเบาปัญญา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 ได้แหละเราท่านทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายังจิตใจของตนให้ผ่องใสสะอาดตราทาจากมันตินโทษก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมคูรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละจนีสภีติโยวิวัทธันตุสภะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอติวาธนาสิริชนิตจังวุธาปัจจายโนจ ต, ตาโรโอธรรมมาวันติ อายุวันโนสุขังปะลังวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปเป็นโอกาสที่เราทุกคนจะได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนา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 อย่าปล่อยให้ใจิตใจคิดไปภายนอกจองตั้งใจระาลึกถึงพุทธคุณคําว่าพระพุทธเจ้าหรือพุทธโธคนพระพุทธเจ้านี้ผู้ได้ลำลึกถึงเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ในโลกก็มีความสุขกายสบายใจด้วยอนนานาจ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 อาหารการบริโภคสิ่งเหล่านี้แหละปัจจัยทั้งสีน่นี้มนุษย์อาศัยเมื่อโยที่ไหนไปที่ไหนก็ย่อมมีความติดข้องขัวพันห่วงแหนอยู่เสมอแต่พระพุทธเจ้าของเราสแสดงออกว่าพระองค์เสียสละได้ให้ทานคนผู้โยภายหลังได้ เือเป็นตัวอย่างมาเตือนใจของคนเราได้ทุกคนว่าเิตใจคนเราที่มันคล้องโยมันติดอยู่ไม่ก้าวไปสู่นิพานก็คือว่ามันติดอยู่ในกองจีเลศเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสีสลักะเด็จออกบัญชาเมื่อบัญชา สมาทานตนเองเป็นพระองค์หนึ่งแล้วก็แสวงหาที่วีเวกภาวนาแทบเขาหินมาลายรมที่ไหนจะลึกตื้นใหญ่น้อยประการใดพระองค์ก็ตามไปนั่งภาวนาในที่นั้นนั่นเขาสูงที่ไหนอากาศดี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 พระองค์บำเพ็ญมากก็บำเพ็ญต่อเรื่อยไปพระองค์ไม่หยุดยัง้งแล้วว่าทำเรื่อยไปปฏิบัติเรื่อยไปไม่ท้อถอยจนกระทั่งหกปีล่วงแล้วปีที่เจ็ดย่างเข้ามาพระองค์ก็เสด็จลงไปทางภาคกลางอินเดียไปถึงแม่น้ำเนลันชลา มีต้นไม้พอต้นหนึ่งโยที่นันเป็นร่มเงาดีเมื่อพระองค์ไปเห็นแล้วก็ชอบพอพอใจว่าต้นไม้ต้นนี้แหละจะเป็นที่นั่งภาวานาของเราให้เลตัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พระองค์ก็ถือต้นไม้ต้นนั้นแหละเป็นที่ร่มเงา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 พระองค์นั่งขัดสมาธิที่ได้แนะนําเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเดือดร้อยพระองค์ก็ตั้งสัจจะอธิฐานใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาในที่นี้ให้ได้สําเร็จ เป็นสรพพุทธเจ้าถ้าไม่ได้สำเร็จเป็นสระพุทธเจ้าก็จะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นนังคาดแม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่หวั่นไหวด้วยเหตุการณ์ใดๆทั้งนั้น จะภาวนาทำจิตใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพื่อความตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็พอดีวันนั้นคืนนั้นเป็นวันเดือนหกเป็นพระจันทร์เต็มดวงจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงที่สุดเมื่อพระองค์นั่งเรียบร้อยแล้วก็ กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายภาวนาพระองค์เอาลมหายใจมาเป็นที่นึกเป็นที่จเจริญ ม, มัดใจิตใจอยู่ในลมหายใจเข้าออกใจิตใจของพระองค์ไม่หวั่นไหวในอารมณ์ต่างๆที่จะมาบังเกิดเมีขึ้น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 นั่นแหละคือดวงใจดวงใจนี้ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะอย่างนโน้นอย่างนี้ไม่มีเจตใจนี้เป็นาธาตุนามธรรมมีแต่ชื่อแต่ว่าลูกมาอาศัยสิ้นตัวคือร่างกายนี้เป็นอยู่ส่วนเจตใจนั้นมองไม่เห็นด้วยตาหนัง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 เมื่อพระองค์มาเจริญข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแล้วจิตใจพระองค์ก็เลิกละปล่อยวางกิเลสต่างๆออกไปแล้ ว, ว่าตัดสรูตัดกิเลสทิ้งไม่ตามกิเลสไม่พกห่อเอากิเลสต่อมาอีกพระองค์ตัดแล้วพระองค์ละแล้วถอนแล้วปล่อยวางได้แล้ว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 ยอนพระองค์ได้ตรัสโลพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ยังมีเมตตามีกรุณามีมุติตาอุเบคาแกสัตว์โลกช่วยตรัสพระธรรมเทศนาสอนเวเน ย, ยสัตว์ทั้งหลายโดยมาความไม่ท้อถอยทุกวันทุกคืนพระองค์ก็เทศนาให้แก่มนุษย์และเทวดายินพคลฟัง เมื่อฟังแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติคนในสมัยโน้นจึงมีการได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานได้มากมายเพราะว่าคนสมัยนั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าเทศยางไรสอนอยังไรก็ทาตามปฏิบัติตามเมื่อทำไปปฏิบัติไป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 พุทธาสาวกทั้งหลายก็พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาละกิเลสกิเลสลาคะโทสะโมหะนี่แหละมีมากน้อยเท่าไรสาวกในครั้งพุทธการก็เลิกละกิเลสเหล่านั้นออกไปให้หมดสิน้นเหลือแต่จิตใจอันบริสุทธ์หลุดพ้นจากกิเลสให้ชื่อว่าพระอริยเจ้าในทางพุทธศาสนา แม่พระองค์จะดับขันเข้าสู่นาฤพ่านไปแล้วก็ตามพระอริยสงสาวกก็ทำการปฏิบัติบูชาภาวนาสั่งสอนกันมาเรียกว่าการฟังเทศฟังธรรมมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแม่พระองค์ท่านจะดับขันเข้าสู่นาฤพ่านก็เป็นแต่เรื่องของท่าน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 ไม่หลงไม่ลืมตั้งใจกำหนดได้ทุกลมหายใจและมองเห็นมรณะนะภัยคือความตายนั้นมันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาไม่ไกลนักเรียกว่าใกล้ที่สุดชีวิตของคนเราก็เห็นเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านี้เองถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดก็ตายแน่แน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 ต้องทำเดี๋ยวนี้ละเดี๋ยวนี้วางเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ให้ได้ให้มีจิตใจอันตั้งมัน่นลงไปในหวัวใจจริงๆแน่นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ควรประมาทจงตั้งโยในความไม่ประมาทเมื่อความไม่ประมาทมัวเมามีโยในใจของเราทุกคน เยตใจนั่นแหละจะพองใสสะอาดปราศจากมลทินโทษกิเลสตัณหามานะทิทธิทั้ทงหลายก็จะลดละลงไปได้เพราะว่าใจไม่ทอถอยใจภาวนาจิตใจมีความเพียรความมั่นความกยันไม่ทอแท่อ่อนแอในหัวใจ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 ถ้าโสดลอมหายใจไม่เข้ามาก็เป็นอันว่าตายได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้เหตุนั้นใจของเราทุกคนจองเพียรพยายามตั้งหน้าตั้งใจาตาบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนายังจิตใจของตนให้ตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาเรื่อยไปจากนั้นอุบายทําโดยยนย่อนี้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 สุขิเทคายยโกภวะอปิวาทนาสิริสนิจังบุตธาปัจญิโนจตารโรัมมาวัตันติอายุวันโนสุ ข, ขังคาลังตนถึงขั้นนิพผิทายานความเบื่อหน่ายคลายกิเลสเหล่านี้ออกไม่หลงไปตามกิเลสนี้อีก เดียวว่าคลายมันออกไปละมันออกไปถอนมันออกไปอย่าไปเชื่อไปหลงตามลมลมแรงแรงของกิเลส ข, ของคนกิเลส ข, ของสัตว์กิเลส ข, ของเทวดากิเลส ข, ของพญาอินพยาผอมอะไรทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัย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 การประกอบกระทมในจิตใจของตนของตนจนเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหานแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้จนติดจิตนั้นไม่ติดไม่คล้องไม่ติดใจในอารมณ์ใดๆท่านเรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริง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 มันมีอยู่เต็มโลกไม่ใช่มันไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่เพราะจิตใจของพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายไม่สงบตั้งมัน่นไม่เห็นจึงไม่เห็นความจริงของจริงไม่เห็นมันเห็นแต่ของไม่จริงเดา ว, ว่าเห็นของปลอม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 จนไม่มียึดในพบใดชาติใดอีกต่อไปภาวนาลูกเดียวภาวนาอย่างเดียวละกิเลสอย่างเดียวตลอดกาลรูรประขันจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปมาอย่างไรเป็นเรื่องของรูประขัน